สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยหกและคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่แปดสิบเอ็ดเรื่องขออย่านาข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองพี่น้องครับวันนี้เป็นเช้า ว, วันพุธครับเป็นเช้า ว, วันกึ่งกลางของสัปดาห์เลยทีเดียวพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐาน เรากําลังบอกกับพงษ์ว่าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดสดับฟังอภิษฐานของข้าพงษ์ทั้งหลายและเมื่อเราอาธิษฐานแบบนี้นั่นหมายความว่าเรากําลังมอบความไว้วางใจของเราให้เป็นของพระเจ้ามอบความไว้วางใจของเรากับพระเจ้าและเมื่อเรามอบอย่างนี้นั่นหมายความว่าสิ่งต่างที่เราอธิษฐานนั้นจะต้องเป็นไปตามความ คาดหวังคาดหมายของพระเจ้าให้น้ำพระทัยของพงค์สำเร็จเวลาที่เราอาธิษฐานว่าขออย่านาข้าพพงษ์เข้าไปในการทดลองเรากำลังยอมรับว่าอํานาจของเราน้นในการต่อสู้กับความบาปนั้นมันคงตึงไปได้ยากและเรายอมรับอํานาจที่ควบคุมยากของความบาปด้วยเมื่อเราทำบาปมันไม่เหมือนกับเด็กๆทาแก้วแตกนะครับ หรือมันไม่เหมือนกับเด็กทารกทำนมหกเพราะว่าตรงนั้นเป็นเพียงแค่ความผิดพลาดเราทุกคนทำผิดพลาดกันทั้งนั้นครับแต่แต่พี่น้องฟังดีๆนะครับความบาปนั้นมันหนักหนาสาหัสมันเป็นเรื่องของการกระบด ต, ต่อพระเจ้าและการตกจากมาตรฐานของพระองค์เป็นการทำผิดน้ำพัะทัยและพระประสงค์ของพระเจ้า ความผิดพลาดอย่างเช่นการทันนมหกหรือการทำแก้วแตกมันก็แค่ทำให้พรมหรือผ้าปูโตหรือเสื้อผ้าเปื้อนแต่มันก็แค่ทำให้เราเสียเงินเท่านั้นหรือเราเสียของเท่านั้นแต่ครับพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีความรู้สึกอย่างรุนแรงว่าความบาปนั้นเป็นสิ่งภายในที่มีอิทธิพลลึกมาก ในชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนความบาปนั้นเป็นเสมือนกับเป็นตัวผูกมัดของอำนาจมืดวิญญาณชั่วมารซาตานและสมุนของมันที่มันจะเป็นเจ้านายกดขี่ชีวิตของเราความบาปนั้นทาให้เราเสพติดไม่ว่าจะเป็นสิ่งเสพติดทั้งหลายทางเหล้าหรือบุหรีหรื อ, ร ห, รอหลายสิ่งหลายอย่างที่ เข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราหลุดจากมันไม่ได้หรือเราใช้เวลากับมันมากจนกระทั่งมันกลายเป็นรูปเขารบหรือไม่กระทั่งความบาปทางเพศที่มีผลอันตรายร้ายแรงความบาปนั้นทำให้เราเลิกเขารบตัวเองความบาปนั้นทำให้เราหลงห่างจากพระเจ้าและความบาปนั้นทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับ ทำให้เราติดคุกติดคุกหมายถึงถูกผูกมัดในชีวิตของเรานั้นควรที่จะเป็นอิสระจากความบาปตามความคาดหวังของพระเจ้าแต่เรากลับไม่เป็นเช่นนั้นครับนี่เป็นสิ่งน่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างมากความบาปนั้นทำให้เราควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ควบคุมความคิดของเราไม่ได้ควบคุมมโนภาพจินตนาการของเราไม่ได้ หลายหครั้งทีเดียวเราจึงเสียเพื่อนเราจึงเสียงานชีวิตสมรสชีวิตครอบครัวของเราก็เสียและหลายหครั้งทีเดียวเราก็สูญเสียตัวเองพี่น้องครับความบาปนั้นรุนแรงความบาปนั้นหนักหนาสาหัสเมื่อเราอธิฐานว่าขออย่านําข้าบงเข้าไปในการลองเรากําลังยอมรับสิ่งที่ความบาปนั้นทํากับเราและผล อิทธิพลความต่อเนื่องผลข้างเคียงของความบาปที่ยิ่งใหญ่หนักหนาสาหัสเรากำลังทูลขอกัพระเจ้าว่าเราไม่อยากกลับไปเป็นทาสมันอีกเราไม่อยากกลับไปถูกมันผูกมัดอีกเราไม่อยากกลับไปอยู่ใต้อิทธิพลของมันอีกที่นะครับนี่คือความหมายและการตระหนักรู้ถึงความรุนแรงความหนักหนาความสาหัสของความบาป ที่มีในชีวิตของเราพี่น้องครับในวันนี้เราจะเข้าสู่ความสําคัญอีกประการหนึ่งครับของคําอธิษฐานบทนี้หรือประโยคนี้ก็คือพระเจ้านั้นทรงมีความคาดหวังหรือความคาดหมายให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรของพระองค์นั้นชนะการทดลองชนะการทดลองครับพี่น้องเพราะฉะนั้น ความมุ่งหวังความคาดหมายของพระเจ้าก็คือเป็นน้ำพระทัยของพระองค์นั่นเองแต่เมื่อเราถูกทดลองให้ทำบาปเรากำลังพบกับการทดสอบที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราพี่น้องครับการถูกทดลองให้ทำบาปนั้นพี่น้องอยากคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายคนเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็คิดว่าอืมเราก็พึ่งในพระเจ้าเท่านั้นก็พอและเราก็อาจจะพลาดได้ และเมื่อเราพลาดแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้ายกโทษได้พี่น้องครับอันนั้นเบาเกินไปครับแต่ผมอยากให้พี่น้องได้ตระหนักถึงความหนักหนาสาหัสสาการของความบาปและเมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนั้นตระหนักรู้อย่างนั้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเรากำลังพบกับการล่อลวง หรือการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละครั้งที่การทดลองการการทดสอบการล่อลวงนั้นเข้ามาในชีวิตของเราคือนะครับการทดลองนี้ใหญ่กว่านะครับยิ่งใหญ่กว่าการสอบไล่ในหมหาวิทยาลัยนะครับหรือถ้าเป็นนักกฎหมายเนี่ยก็ยิ่งใหญ่กว่าการสอบเนติบัณฑิตหรือถ้าเป็นแพทย์ก็ยิ่งใหญ่กว่าการทําหน้าที่ของแพทย์ประจําบ้านหรือสอบบอร์ด หรือรประกาศเชียบัตรใดๆที่นักพยาชีพทั้งหลายต้องพบต้องเจอหรือแม้กระทั่งนักเรียนมัธยมก็หมายถึงการสอบเอ t ท a าน e ์พี่น้องครับเมื่อเราถูกล่อลวงให้ทําบาปเราถูกทดลองให้ทําบาปเรากำลังพบกับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราทุกๆครั้งเราต้องรู้สึกอย่างนี้ครับทุกๆครั้งเราต้องตระหนักรู้อย่างนี้ครับและถ้าเราตระหนักรู้อย่างนี้เราก็ จะได้สัมผัสว่าพระเจ้านั้นมีความคาดหวังมีความคาดหมายมีน้มพทัยของพระองค์ให้เราชนะการทดลองทุกทุกครั้งพี่น้องครับ <c oughs> แม้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามพี่น้องครับแต่เราต้องเริ่มมีความตระหนักรู้และรู้สึกอย่างนั้นสียก่อนการทดลองนั้นเป็นการทดสอบเพื่อให้รู้ว่าเราสัตว์ซื่อหรือจะไปที่เสดพระเจ้า เราจะเชื่อฟังพระองค์หรือเราจะไม่เชื่อฟังพระองค์แตการทดสอบนี้จะวางรากฐานของคุณภาพชีวิตคิสเตียงของเราที่เราบอกว่าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเจิมขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปี่ยมล้นพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าชีวิตของเรานั้นยังมีความผิดความบาปอยู่พี่น้องครับ การเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงควบคุมชีวิตของเราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้ามีความบาปอยู่เป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องครับเราจะต้องให้พระโลหิตของพระเยซูนั้นได้ทรงชําระแล้วต้องดํารงตนอยู่ในการเชื่อฟังแล้วต้องมีชีวิตอยู่ในการสรรเสริญนามสการพระเจ้าเราถึงจะสามารถที่จะรับการเปี่ยมล้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ พี่น้องครับการทดลองนั้นเป็นการทดสอบเพื่อรู้ว่าเราจะซื่อสัตย์เชื่อฟังหรือจะปฏิเสธไม่เชื่อฟังพระเจ้าการทดสอบนี้จะวางรากฐานของคุณภาพชีวิตของเราครับแต่พี่น้องครับซาตานคอยทําลายคุณธรรมคุณภาพชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานนะครับทาหรือประโยคนี้ว่าขออย่านําข้าวงเข้าเาป็นการทดลองพี่น้องครับการทดลองนั้นมาถึง ในเวลาที่ธรรมชาติไฟต่ำของเราต้องการท่านครับผมพูดครั้งครับการทดลองมาถึงเราในเวลาที่ธรรมชาติไฟต่าของเราต้องการเราต้องการความสุขความพึงพอใจทางเพศ <c oughs> การเต็มอิ่มเราคิดว่าความบาปนั้นจะทำให้เรามีความสุขนี่คือธรรมชาติไยต่าของเราครับเราคิดว่าความพอใจความเต็มอิ่มีนีงครับ ยากอบบอกว่าแต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อให้หลงเมื่อกิเลส ข, ของตัวเองล่อและชักนําให้กระทําตามยากอบบทที่หนึ่งข้อสิบสี่ครับปรดฟังครั้งครับแต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อให้หลงเมื่อกิเลส ข, ของตัวเองล่อและชักนําให้กระทําตามดังนั้นเมื่อพระเยซู บ, บอกให้เราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพพงเข้าไปการทดลองพระองค์ได้ประทานกุญแจแก่เราครับเพื่อชนะธรรมชาติบาปของเราโดย ยอมรับว่าเรามีความโน้มเอียงที่จะหลงไปจากพระเจ้าแต่ถึงกระ น, นั้นก็ตามครับเราต้องมีความตั้งใจและมีตรารู้ว่าพระเจ้าคาดหวังครับพระเจ้าคาดหวังให้เราชนะการทดลองและพระเจ้าสามารถที่จะคุ้มของเราให้เราชนะการทดลองได้พี่น้องครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้ผมขอมอบพระคัมภีร์ข้อหนึ่งครับในยูดานะครับ ยูดาข้อที่ยี่สิบสี่ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองท่านมิให้ลม้มขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองท่านมิให้ลม้มขอพระเจ้าคุ้มครองพี่น้องครับมิให้ลม้มอาเมน